อาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสาจริตสำหรับโทสาจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตหรือว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสัจริต แปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริตทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่ช่นนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตัวกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ถ้าว่าจะมีจริตอะไรไปมั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างแถานั้นมีกำลังอ่อนหรือ ว, ว่ามีกำลังเข้มแข็ง ยังคนในโลกใหมมีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่จะเรียกว่าราคาจริตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้างามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำผพาปนพืนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆ ท, ที่ต้องทำงานหนัก อย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทคุราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรอะไรก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริหรือว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดง ด, ด, ดงามมีเาเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเป็นแค่สุกเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นขอประธานภัย พูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามอที่อ้างมากระเพื่อว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุขเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เข้าดูเมืนว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยตอนนี้เพราะอะไรก็ เ, เพราะเกรงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปแค่ว่าพระแก่รุ่มร่าม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่ห่มอมแต่จีวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมียรมต้องการตัดราคาจริตไม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็สนแสดงว่ามีราคาจริตจ่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทำตนเช่นนั้นเป็นการข่มรูเป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจและไม่เกิดความผูกพัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันเมื่อเรียกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสําหรับโมหจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดโปร o n แต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกันว่าโมหจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชือ่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งเือคิดน้อยไปหน่อยหรือนเรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลอดปลงความเจริญฉลาดในการบังคันะก็ย่อมมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติหรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเจริตทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหลือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง มีคนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคะจริตตามที่สมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคะจริตเอยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิตรทรงกระทำอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญ น, นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอ บ, บอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายนี่คำว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสาจริตคำว่าโทสัจจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ กรง่ายๆแต่โกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีถ้าใดการคึดหัดเข้มขน้นเกลี้ยวกราดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีแต่่าททำอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทำไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรรมวิหารสี่ <c oughs> และกสินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันณะกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพ่ง <c oughs> เป็นการระงับจิตทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทําถูกกจริตมันเป็นของง่าย <c oughs> สําหรับความโกรธถ้าใช้พรรมวิหารสี่ ก็จะต้องพิจารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรัอสัตว์จะไม่ก็าตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราษนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่ น, นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการร่างคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ้อกูลจากคนอื่นและก็มุทูตามีอรมณ์ไม่ฉิ่าที่สยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเพรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่อฉาดิสยากันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําให้เป็นโทษไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เห็นคนอื่นได้ดีไม่ริดรอยความดีเขาบุคคลนั้น พากันสันเริญยกจะยกย่องสันเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่ฉาสิยาริตรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่ บ, บคุคคลทุกคนแต่ถว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุกเราต้องการในบุคคนอื่นก็ทําเช่นนี้กับเราแล้วเราคิดทําอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญแล้สําหรับอุเบกขาความเฉอยบางเฉย น, นั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเดีกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกรรมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งไม่ว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามนัยกฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้าเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุข หมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ำเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเล้าร้อนเห็นเขาเพียงพรมลงไปเ้ามีทุกข์ตั้งใจจะซ้าเติมถ้าซ้ำเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ำเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทำเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทำนี่ก็มานั่งนึกตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ำเติมเราเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ นี่องค์สมเด็จพระพิชิตแตมันให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบเพราะว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสาจริตจริงกลายเป็นคนโง่มากกว่าคนฉลาดไล้คนที่เขาฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเหมือนกันแต่รู้จักยับยัง้งเสียถันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยและไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายและโกรธบ่อยๆชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรทัติไหนไม่มีความสบายใจเพราะว่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทําตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอนว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทำยังไงจึงจะหาทางทำลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทำลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีจะทายังไงทีงจะยับยั้งความโกรธไว้ิได้ไม่ใช่ทําลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินพอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณา ถึงพระธรรมคำสั่งสอนเขององค์สมเด็จพระจินาสีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุน ง, ง่านใจมันทุกข์พร่านใจมีความโกรธใจเป็นท่าของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดิ้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี ขันดับแรกมาคิดทั้งตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขนาดใดถ้ายังตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆาตเคียงฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเข้าบันดาเราไหม ต้องการให้ใครว่ากานแกล้งเราไหมต้องการให้ใครเขามาอิจฉาที่เสียาเราไหมต้องการให้ใครเขามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการให้ใครเขามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุกขถ้าต้องการให้ใครเขามาซ้ําเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั <c oughs> ้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตาใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอะจะไปทําอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้ า, ารมใจของเราไม่ต้องการก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ต้องการเสียเราจะไม่ทํากับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทำกับเราอย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องการให้เขามาเป็นคนมาพูดดีในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการให้เขาทำความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยแห่งความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่แป็นการที่เราต้องการรายการที่สามได้ความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริดรอนความดีเรียกว่าไม่ช้าดิสยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย รายการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเข้าแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสีรายการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสาหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำาการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราโดยการทั้งปวง ซ้ําเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเพื่อก็แกล้งดึงเอาไปซือีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทางทาลายด้วยประการทั้งปวงแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่น เพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทำดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้ามความโกรธพูดดีทำดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายันอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงมีได้เกื้อกูลได้ ว, วัตถุไม่ได้เราไม่มีเกื้อกูลได้กำลังกาย ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกําลังกายและวัตถุดได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนําว่าไปที่นนท์นะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ช้าที่จะยาเขารอยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติและก็พร้อมจะทําความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดว่าอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านเฉพาะที่เราจะทางจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปติปูชัง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวรณโกปฏิวันแทนหนังคนไหวย่อมได้รับการไหว้ตอบนี่พูดเฉพาะเราทําความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางจําพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตมีองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย เพื่อแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระเบรมโลกเชษให้บทในพระพุทธศาสนาและก็สอนให้ได้ฌานโล ก, กีได้พิญญาสมมาบัติเลยท่านองตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีก็องค์สมเด็จพระเบรมรุกเชษคิดขบถ ทระยศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆ์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชานโลกีจัดว่าเป็นปุตุชนคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบรโลกยังเชิดมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคกสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่ว่ า, าสาวกเบื้องต่าขององค์สมเด็จพระบรมาครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัศน์มากแต่พระเทวทัศน์มองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพระมีหารสีต่อเขาเขายังมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงพอเป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เขา้าก็จะต้องใช้อารมณ์อารมณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความจริงว่าคนแบบเพศนี้เขาเป็นธาตุของอาบา ย, ยภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเขาเป็นธาตุเป็นธาตุของใครเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์ว่าการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเพืเ่อเครื่องเผชิรมาเพราะถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็นธายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทำไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ่มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทะยานอยาก ดึงลากจิตใจข อ, ข, ของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เข้าไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่ง เ, เครื่องเป็นเจ้าไหนของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานดังสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวิแบบจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เขานอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเล้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นก็คนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเล้าร้อนใจจะหาความสุขกายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสารเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําคืนเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากําลังใจด้วยน่ายของพร ม, มีหารสีคิดว่าโอ๋หนอนี่ก็เกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทําลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสนกับกว่าจะพ้นจากนรกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตติเดชันกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก่นนานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนเขินใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัยทําจิตใจของเราให้สบายคิดไปอภัยทานยิ่เป็นปกติไม่ไม่ก็จะคิดได้ยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเช่นเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหาโมลิ น, นที่พระเทวทัตทําทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไถยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหนไหน สําหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายแบบพรแต่หากว่าบังเอิญเสียงเจกตะตุกตะตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารั่ในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอ่นตอนนำเสียงอาจเจกตะตกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนวุวาสําหรับการจะระงับโทสัจจริต โดยใช่อารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรมิหารสีเฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับเทพหน้าที่สองจะได้พิจารณาหรือพัณนาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทศาสจริตในด้านกระสินสีต่อไป